ทำสรรเสริญครั้งแรกจากพระอาจารย์มั่นครั้งออกพรรษาแล้วทุกรูปต่างแยกย้ายกันออกจากที่นะั่นเดินทูดงต่อไปลุงปู่ดุลไปด้วย ก, กันกับท่านอาจารย์สิงต่อมาก็แยกทางกับท่านอาจารย์สิงที่ไปคนละทางกัน แต่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันจุดมุ่งหมายนั้นอยู่ที่จะไปนมัสการพระอาจารย์มัน่นเมื่อหรวง ป, ปู่ดูลเดินทางไปถึงหนองหานจังหวัดสกล น, นครก็ได้ไปพักอยู่ที่เกาะเกตสถานที่นี้กล่าวกันว่าเป็นที่ขลังและมีอาถรรพ์มาก เมื่อเคยมีชาวบ้านไหนกล้าเข้าไปแต่ท่านกลับเห็นดีเพื่อจะได้อยู่สบายเพราะเมื่อคนไม่กล้าเข้าไปก็ยิ่งเป็นที่สงัดเงียบไม่มีใครเข้าไปรบกวนท่านจึงเข้าไปอยู่ที่นั่นครั้นอยู่พอสมควรแล้วก็ออกเดินทางต่อไปเป็นลําบับจนกระทั่งถึงบ้านตามเดิน มีชาวบ้านบอกว่าเห็นพระธุดงอยู่ในป่าใกล้บ้านนี้เองท่านแสดงความดีใจเป็นอันมากคิดว่าอย่างไรเชียก็ต้องเป็นพระอาจารย์มั่นอย่างแน่นอนเมื่อไปถึงสถานที่นั้น<ม>ก็เห็นท่านอาจารย์สิงห์ซึ่งเดินทางมาถึงก่อนนานแล้วและเห็นพระองค์อื่นๆอีกหลายองค์ กำลังนั่งห้อมร้อมท่านพระอาจารย์มั่นอยู่อย่างสงบพากันหันหน้ามามองท่านและพูดกันเบาๆว่าเนี่ยท่านดุลมาแล้วท่านดุลมาแล้วคาดว่าท่านอาจารย์ศิลคงจะบอกเล่าไว้ก่อนแล้วว่าลุงปู่ดุลทำจิตเป็นสมาธิได้เอเมื ท่าอาจารย์มั่นผุริพัตเถระท่านพระอาจารย์ใหญ่นั่งอยู่เช่นนั้นหลวงปู่ดุลดเด่นท่านพระอาจารย์มั่นเข่าหลวงปู่ก็เกิดความปราปรื้นปิติรำพึงในใจว่าประสงค์อย่างไรก็สําเร็จอย่างนั้นครั้นได้โอกาสอันควรแล้วจึงเข้าไปกราบท่านพระอาจารย์มั่น พระประจ์ผู้ทรงคุณวิเศษได้ถามถึงการปฏิบัติของท่านหลวงปู่ดุลัณฑยงกราบเรียนถึงผลการปฏิบัติโดยตลอดแล้วก็สรุปให้กราบเรียนพระอาจารย์มั่นให้ท่ันได้ทราบว่าเดี๋ยวนี้กระผมเข้าใจแล้วกระผมทำความรู้จักกับกิเลส ข, ของกระผมได้ดีแล้ว คือถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งนั้นกระผมละได้เด็กขาดแล้วส่วนที่สองกระผมละได้ครึ่งหนึ่งยังอีกครึ่งหนึ่งส่วนที่สามและส่วนที่สี่กระผมยังละไม่ได้พระอาจารย์มั่นท่านก็ได้กล่าวสันเสริญว่าเก่งมากฉลาดมาก ที่สามารถรู้จักกิเลส ข, ของตนเองและการปฏิบัติที่ผ่านมาที่บอกเล่านั้นก็เป็นการถูกต้องดีแล้วและแล้วท่านพระป ร, รมจารย์ก็ได้แนะนำต่อไปว่าให้เอาข้อนี้ไปพิจารณาต่อไปอีกโดยบอกเป็นภาษามารีว่า สัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนานัตตาท่านบอกดังนี้หลังจากหลวงปู่ดุลได้รับคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วหลวงปู่ท่านก็เด็ดปลีกตัวไปบำเพ็ญทางจิตพร้อมทางพิจรารณาคติธรรมที่ได้มาในที่สุด ก็ได้รู้แจ้งในธรรมคือปฏิจจสมุปบาท ต, ตลอดสายในแวะบเดียวเท่านั้นว่าสังขารทั้งหลายเกิดจากความคิดปรุงเมื่อละสังขารได้ความทุกข์ก็ดับหมดตลอดสายปฏิจจสมุปบาท ก็เพียงเท่านี้เองครั้นพากันอยู่ปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้วพระทุกรูปก็แยกย้ายเดินทุดงกันต่อไปอีกเมื่อแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นแล้วหลวงปู่ดุลท่านได้เดินไปทางอำเภอพันณานิคมมีสมณีนติดตามว้วยองหนึ่ง ไปจำพรรษาอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึง่งใกล้บ้านพุทต์ก้มครั้นจำพรรษาอยู่ได้ไม่นานสมณเณรที่ติดตามไปด้วยก็เกิดเป็นไข้ป่าอย่างแรงสุดกำลังที่จะเยียวยารักษาให้หายได้ในที่สุดสมณเณรก็ถึงการกิริยาลงต่อหน้าต่อตาท่านอีกีองค์หนึง่งยังหน้าเวทนา ท่านเรา่าสงสารสมะเนนมากอายุก็ยังน้อยหากมียารักษาเนินคงไม่ตายแน่ครั้งนั้นท่านได้คอยสังเกตพิจารณาอาการตายของคนเราว่าเป็นอย่างไรจิตหรือวิญญาณออกไปทางไหนหรืออย่างไร จนเข้าใจได้ดีแต่ไม่เห็นสมควรที่จะบันทึกไว้ณที่นี้เมื่อชาวบ้านเห็นว่าท่านกำบัรษาอยู่เพียงองค์เดียวเพราะเมื่อก่อนอยู่กับสมณเนรก็เกิดความสงเวทใจจึงไดารัตนาท่านให้ไปอยู่ที่วัดม่วงไข่บ้านกุดก้มซึ่งมีสมณเนรอยู่หลายองค์มีครูบายาครูดี เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้มีอัตรยาสายดีสมชื่อรุวงปู่ท่านเล้เข้าไปพมักจำบรรษายอยู่แต่รูปเดือนในโบสถ์กระทําตามแบบฉบับของพระทุดงทุกอย่างอย่างเคร่งครัดเช่นเดินบินทบาต ท, ทุกวันฉันในบาทฉันวันละมือเดียว ปัดกวาดทำความสะอาดที่อยู่อาศัยตลอดจนเดินจงกรมทำสมาธิเป็นต้นเจ้าอาวาสและพระเนนในวัดนั้นเห็นปฏิปทาของท่านก็เกิดความพิศวงสนใจในการปฏิบัติของท่านเป็นนันมากและเมื่อมีใครสนใจไต่าถามท่านก็ชี้แจงข้อธรรมะ ประแนวทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมีอัดลึกซึงรักกุมแปลกไปกว่าที่พิสุสมมเนรเหล่านั้นจะได้ยินได้ฟังมาจากไหนไหนดังนั้นพระทุกรูปรวมทั้งสมมเนรด้วยต่างก็ปฏิยานตนปฏิบัติตนตามแบบของท่านจนหมด ในบรรดาพิสุทธสมณเณรที่หันกลับมาดำเนินปฏิปทาแบบธุดงกรรมฐานของท่านนี้มีสมณเณรองคหนึ่งที่สมณเณรอ่อนมีวิริยะอุสาหะแรงกล้าในธรรมะปฏิบัติได้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาสืบต่อมาจนเป็นพระหมหาเทระชื่อกอง มีผู้เคารพนับถือทั่วประเทศสมณเนมอ่ อ, อนผู้มีวิริยะอุสาหะแรงกล้าในธรรมปฏิบัตินั้นก็คือท่านพระอาจารย์อ่อนยาณสิรินั่นเองในระหว่างนั้นท่านพระอาจารย์ทวันอาจารโรผู้มีประวัติอันงาม มีชื่อเสียงโด่งดังทางกรรมฐานในปัจจุบันนี้ในสมัยนั้นยังเป็นพระภิกษุฟันพำ ม, มักอยู่ที่วัดใกล้เคียงกันนั้นได้ทราบข่าวการพลิกแผ่นดินของวัดม่วงไข่ก็เกิดความตื่นเต้นสนใจสู่เดินทางมาศึกษาและประพฤติปฏิบัติกรรมฐาน กับลวมปูดุลเป็นประจำอย่างขยันแข็งแ็งตลอดเวลาที่ท่านจำพรรษาอยู่นะที่นั้นครั้งออกพรรษาแล้วในเวลาที่หลวมปูดุลจะออกทุดงร่อนเร่ไปตามป่าเขาระเมาปลายอีกแล้วมาตรการอันใหญ่หลวงก็จะบังเกิดขึ้นต่อสายตาชาวบ้านม่วงไข่ทั้งหลาย กล่าวคือเมื่อลุงปู่ออกธุดงต่อไปปรากฏว่าพิสูจ์สมัมมาเนรทุกรูปในวัดม่วงไข่ไม่เว้นกระทั่งเจ้าอาวาสได้พากันสละละทิ้งวัดออกธุดงติดตามท่านไปจนหมดสิ้นโดยไม่สนใจนำพาคำอ้อนวอนทัดทานของผู้ใด รวมทั้งพระพิสุฟั่งอาจโรก็ติดตามรล่งปู่ดุลไปด้วยเช่นเดียวกันทุกรูปยอมสละระทิ้นวัดปล่อยให้วัดเป็นวัดร้างไปไม่มีใครยอมอยู่ผูกพันดูแลพากันย่างเข้าสู่ความเป็นอมาคากษ์ที่แท้จริง เพื่อมุ่งหาความดับทุกแห่งตนยังไม่อะไรอววรต่อสิ่งหนึ่งประการใดเลยหลวงปู่ดุลท่านเล่าว่าท่านอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนั้นทำกรรมฐานได้ผลดีมากและเอาจริงเอาจังมีน้ำใจเป็นนักสู้สู้ตายไม่มีรถละท้อถอย เข้าถึงผลการปฏิบัติได้เร็วนอกจากนั้นยังมีรูปสมบัติและคุณสมบัติอันถึงพร้อมท่านได้ทำไมายไว้ในใจว่าท่านผู้นี้จะต้องมีความสำคัญและเป็นกำลังยิ่งใหญ่ของพระศาสนาในอนาคตอย่างแน่นอน รลวงปูดุลท่านจึนตั้งใจว่าจะพาท่านอาจารย์ฟั้นไปพบประมอบถวายต่อท่านพระอาจารย์มั่นผู้ปรมาจารย์ให้ได้ในโอกาสต่อไปอีกข้อหนึ่งที่ผู้เรียบเรียงเคยได้ยินได้ฟังมามีอยู่ว่าเมื่อหลุงปูดุลมาพมักประจำอยู่ที่จังหวัดตุรินแล้ว ท่านอาจารย์ฟันได้เดินทุดงติดตามมารับคำแนะนำทางปฏิบัติกับหลวงปู่ดุลเป็นครั้งคราวโดยเดินทุดงมาทางเทือกเขาดงรัตแล้วเข้ามาพมักที่ป่าเล็กๆชาญเมืองสุรินเมื่อได้โอกาสอันควรก็จะเข้าไปนมันสการหลวงปู่ดุลณนะวัดบูรพาราม บริเวณป่าที่ท่านอาจารย์ฟั้นได้มาพำมักอยู่นั้นต่อมาได้กลายเป็นวิทยาลัยกเกษตรกรรมศุรินแต่คงจะได้เดชะบารมีสุปฏิบัติของท่านอาจารย์ฟั้นอาจารโรสถานที่พักของท่านจึงได้รับการยกย่องขึ้นมาเป็นสมัสงสงฝ่ายอารั ญ, ญวาสี มีชื่อว่าวัดป่าโยธาประสิทธิ์ทางที่อยู่ในบริเวณรั้วของวิทยาลัยเกษตรกรรมนั่นเองน่าอัศจรรย์นนะักอริยสัตว์แห่งชีวิตย้อนกลับมาถึงการเดินธุ ด, ดงค์ของหลวงปู่ดุลต่อไป การออกธุดงคราวนี้ก็มีท่านอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โรและพระเนรวัดม่วงไขติดตามไปทั้งหมดท่านเดินทางไปตามลำดับพักอยู่แห่งละห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างแล้วก็ไปพักอยู่ที่ถ้ำพระเวชอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม เป็นเวลานานตลอดฤดูแรงนั้นต่างองค์ต่างก็ปรารบความเพียรอย่างจริงจังและได้รับผลการปฏิบัติทุกรูปสำหรับรลวงปู ด, ดุล น, นั้นท่านเล่าว่าท่านได้ตรีตรองพิจารณาตามหัวข้อกรรมฐานว่าสัพเพสังขารา สัพสัญญาอนัตตาที่พระอาจารย์มั่นท่านได้ให้มานั้นในเวลาต่อมาก็าเกิดความสว่างสวัยขึ้นในใจแจ่มชัดว่าเมื่อสังขารขันดับได้แล้วความเป็นตัวตนจะมีไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่ง ครั้งเมื่อความปรุงแต่งขาดไปความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและจับใจความอริยสัจแห่งจิตได้ว่าหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเพื่อรับสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุ ท, ทยสองผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกแล้ววันไหว เป็นทุกสาจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นมัจศผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตยังแจ่มแจ้งเป็นนิโรธแล้วท่านเล่าว่าเมื่อทำความเข้าใจในอริยสัจทั้งสีได้ดังนี้แล้ว ก็ได้พิจารณาทาความเข้าใจในปฏิจสมุปบาทได้ตลอดทั้งสายข้อธรรมของรุวงปู่ดุลท่านในตอนนี้ผู้เขียนจนด้วยกล่าวไม่อาจเขียนตามท่านให้ถูกต้องได้เพราะเป็นการเฉพาะตัวของท่าน นักปฏิบัติธรรมผู้มีความสนใจจะได้รับทราบในขั้นต่อไปคำสังส่งเผืครั้งที่สองและรางวัลเกียรติยศจากพระอาจารย์มัน่นปรุงปูดุล น, นั้นครั้ท่านอยู่ที่ปัธรรมพระเวทได้พอสมควรแล้ว ก็พากันยกขบวนจาริกไปเสาะหาพระอาจารย์มั่นจนกระทั่งไปพบกันที่วัดป่านโนนสูงหลวงปู่ดุลจึงกราบเรียนท่านประมาจา์ถึงผลการปฏิบัติธรรมของท่านตามที่ปรากฏท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวรับรองและยกย่องส่วนเสริญ ให้ปรากฏณถ้มกลางชุมนุมสานุสิ์ทั้งหลายว่าถูกต้องดีแล้วเอาตัวรอดได้แล้วนับว่าไม่ถอยหลังอีกแล้วขอให้ดำเนินตามปฏิปธานี้ต่อไปหลังจากนั้นลุงปู ด, ดุลได้นำ อาจารย์ฟันอาจารย์โรและคณะพิสูจ์สมนเณรวัดม่วงไข่ที่ติดตามท่านมาถาวายตัวตอบรับอาจารย์มัน่นท่านประมจาจย์จึงเล้ ก, กล่าวยกย่องสรรเสริญกระทําให้ปรากฏดต่อสิทธิ์ทั้งหลายว่าท่านบุญเป็นผู้มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งสามารถมีสานุสิทธิ์และผู้ติดตามมาประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นจำนวนมากในระหว่างที่พัดอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นเวลานานนั้นท่านพระอาจารย์มั่นผู้ทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่ได้กรุณาตัดเย็บไตรจีวรด้วยมือตนแล้วช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมด้วยมือมอบให้หลวงปู่ดุลหนึ่งไตร ท่านจึงถือว่านี่คือผลหรือรางวัลแห่งการปฏิบัติดีที่ครูบาอาจารย์มอบให้เป็นกรณีพิเศษด้วยเมตตาธรรมครั้นถึงเวลาเข้าพรรษาหลวงปู่ได้ไปจำพรรษาที่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายขณะนั้นท่านอาจารย์อ่อนยานติริยังเป็นสมณะเนรอยู่ ได้ติดตามมาอยู่จำพรรษากับหลวงปู่ด้วยในพรรษานั้นมีอุบาสกอุบาสิกาเะพิทุสมะเนนวัดใกล้เคียงพากันแจกตื่นมาฟังพระธรรมเทศนาของท่านและมาบำเพ็ญภาวนาเป็นจำนวนมากมายท่านกล่าวว่าจนเกิดท่างไม่มีที่นั่งและแทบทุกคนก็ได้ผลการปฏิบัติ สานุสิตที่เป็นการืหัสบางท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้